ก็จะได้พบกับที่พึ่งทางใจก็จะได้เป็นพระอารหันตสาวกขึ้นมาเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาพระอริยสงสารกนี้ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันตามลำดับของที่พึ่งทางใจที่มีอยู่สขั้นเช่นเดียวกัน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 พอได้ที่พึ่งขั้นที่สได้เป็นพระอาหารหันตปรสาวกก็จะได้พระนิพพานเป็นที่พึ่งขั้นสูงสุดเป็นที่พึ่งที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปตายพบนี้ก็มีอยู่สาคือหนึ่งการมาพบรูปพบ อรูปภพการมพบก็คือที่เกิดของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ผู้ที่ยังมีกามอันหาคือความอยากในกามคุณห้าประการด้วยกันคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะรูปภะก็คือที่เกิด ของผู้ที่ละกามตัญหาได้ผู้ที่ไม่มีความอยากจะเสพกามคุณทั้งห้า mm. ก็จะได้รูปปาญรูปปาญก็จะได้เกิดในรูปประพบผู้ที่ไดอารูปปาญก็จะได้เกิดในอารูปประพบ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 ฌานเมื่อฌานหมดกำลังก็จะต้องกลับมาเกิดในกามมพบกามมพบนี้ก็มีสองส่วนด้วยกันส่วนที่ดีเรียกว่าสุขติส่วนที่ไม่ดีเรียกว่าทุกติหรืออบายสุขติก็คือเป็นภพของเทวดาและภพของมนุษย์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 เทวดาก็มีการเสื่อมพรหมโลกก็มีการเสื่อมเป็นพรหมพอเสื่อมจากพรหมก็มาเป็นเทพเป็นเทพพอเสื่อมจากเทพก็มาเป็นมนุษย์ก็จะขึ้นขึ้นลงงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ไปจนกว่าจะสามารถสร้างที่พึ่งทางใจขั้นสูงสุดได้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 ส, สรเสิไม่ได้สอนให้เจริญในเรื่องของกามคุณทั้งห้า<ม>คือรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระถ้าศึกษาและปฏิบัติเพื่อสิ่งเหล่านี้<ม>ก็จะผิดหวงังแล้วก็จะมาโทษพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาปลอมเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับ สิ่งที่เขาปาถนะถ้าผู้ไทสอนให้พระพุท ธ, ทธศาสนิกชนจเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญเจริญด้วยความสุขทางกามอารมณ์ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้สอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพาะคสอนของพระพุทธเจ้านี้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 เช่นเราถ่ายภาพของบิดามารดาเวลาบิดามารดาตายไปแล้วเราก็ได้ดูแต่รูปภาพคิดถึงบิดามารดาเวลาที่เราดูรูปภาพแต่รูปภาพนี้ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ได้เหมือนกับบิดามารดาฉันใดพระพุทธรูปก็ไม่สามารถที่จะทําหน้าที่อบรมสั่งสอน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 ไม่ใช่รอให้เกิดไฟไหม้บ้านแล้วค่อยมาศึกษากันฉันใดเราอย่าไปรอให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วค่อยมาศึกษาเพราะทำคำสอนของพ่อพิจารามันจะไม่ทันการเราต้องศึกษาตั้งแต่ที่เรายังไม่มีความทุกข์เช่นตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่มีความทุกข์ใจเรารีบมาศึกษา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 รู้นี้ก็คือใจร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเป็นเหมือนไมโครโฟนที่ไปอัดเสียงมาไปถ่ายภาพมาแล้วส่งไปให้ใจทีนึ่งให้ใจรับรู้แล้วใจก็ไปขลางคลหลงใหลกับรูปกับเสียงที่ได้รับรู้ได้ยินเสียงที่ชอบก็ดีอกดีใจแต่ยินเสียงที่ไม่ชอบก็เสียอกเสียใจ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 ยะถาวาริวหาปุราปุเุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติ ขรโสยถ า, าสปิตโยวิวชัชานตุสัพพโรโภวินาศตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาทานาศีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธมรมวทาติอายุวโนสุขังภาลาง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 เห็นร่างกายของเราแนอนาคดว่าจะต้องเข้าโรงจะต้องถูกไฟเผาจะต้องกลายเป็นขี้เถ้าไปเราก็จะเฉยเฉยได้เราก็จะไม่หวั่นไหวและไม่เดือดร้อนไม่กลัวความตายต่อไปคำถามข้อต่อไปนะครับการระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทามาในอดีตบ่อยนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขกับบุญนั้นนั้นเมื่อไหร่ก็ได้บุญอีก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 อย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสหรือเปล่ามันเป็นการรักษ า, ร, าร่างกายเวลาใจเราไม่สบายแล้วเราคิดถึงความดีบุญที่เราทำไว้แล้วทาให้ใจเราสบายอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นการรักษาใจคำถามข้อต่อไปจากคุณญิงลวินะครับซึ่งเคยถามคำถามลักษณะนี้มาแล้วนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ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 แต่ถ้าเราไม่ทําบาปเลยบาปศูนย์เราทําบุญแค่บาทเดียวหนึ่งเดียวเราก็ไปสวรรค์ได้แนละ้วนั้นพระเจ้าถึงบอกให้ต้องทํา ท, ทั้งสองอย่างให้ทําบุญแล้วก็ให้ละบาปมันจะได้ง่ายถ้าทําบุญด้วยทําบาปด้วยมันก็มันก็ต้องทํามากๆทําบาปมากเท่าไหร่ก็ต้องทําบุญมากกว่าบาปมันถึงจะดึงไปสวรรค์ได้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 อาราหารันตสาวกทั้งหลายพอท่านเป็นพาาระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ต้องมีอาจารย์แล้วท่านกลายเป็นอาจารย์ของท่านเองขึ้นมาแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สั่งสอนคนอื่นต่อไปได้หมดแล้วใช่ไหมมีคนหนึ่งยังหลอกยังใจจดใจเจาะ อ, อยู่ ว, วันนี้จะได้ถามหรือเปล่าเนาะ จากจากการปฏิบัติพระอาจารย์ถ้าเรากําลังสังเกตเห็นว่าจิตเรากําลังจุดกาลังสลดอยู่อย่างเงี้ยเราต้องทํำยังไงต่อสลดแบบไหนล่ะคือมันมีความรู้สึกมันตกจากที่สูงค่อยๆลอยลงมาถ้ามันสลดโทสูมีความทุกข์ใจก็ต้องหยุดมันถ้ามันสลดโทสูแบบว่ามันปล ong นี้ก็มันสบายก็ไม่ต้องหยุดมันบางคนเห็นว่ามัน มันสลดแต่มันสลดแบบมันปรงแบบว่ชีวิตนี้มันก็แค่นี้แหละไปอะไรกับมันม่มากมายทำไมไปทุกข์กับเรื่องอะไรต่างๆทำไมถ้าสลดแบบนี้มันก็ดีแต่ถ้าหลดแบบว่าโอ้ยไม่ทุกข์เหลือเกิน อ, อย่างนี้ก็ต้องหยุดมันมีท่านนี้ใช่ไหมโอเคอ <c oughs> เอาแล้วนะเนั้นก็เวลาก็พอสมควร ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้วหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ